Oh. สิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะมีคุณค่าหรือความหมายต่อตัวเราเนี่ยก็ต่อเมื่อนาไปปฏิบัติเพียงแค่อ่านเพียงแค่ฟังอย่างเดียวไม่พอแต่ก็สำคัญนะแม้เพียงแค่อ่านเพียงแค่ฟังธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วละ่ะ พอเดี๋ยวนี้มันมีอะไรต่ออะไรที่น่าสนใจมากกว่าดึงดูดใจมากกว่าหรือว่าสมัยที่เรียกว่าดราม่ามากกว่านะนเช่นข้อมูลข่าวสารนะทางโทรศัพท์มือถือทางโซเชียลมีเดียผนี้สาหรับคนทั่วไปมันน่าอ่านน่าติดตามมากกว่า ยิ่งถ้าพูดถึงหน้าฟังแล้วนะโอ้มันมีเพลงมันมีดนตรีอะไรต่างที่คนทั่ไปก็รู้สว่มันน่าฟังกว่าเยอะนะเมื่อเทียวกับการฟังธรรมคนที่ใจน้อมไปในทางฝ่ายในทางธรรมเนี่ยนะก็มักจะเริ่มต้นโดยจากการได้อ่านหรือได้ฟังธรรม แต่ก็นี้พออ่านหรือฟังทำแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านะัมันไม่พอนะมันต้องลงมือทําหรือปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีหลายประเภทหลายระดับน ะ, ะเช่นการให้ทานนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะหรือว่าเป็นการประพฤติทธรรม เพราะว่ามันเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลอันนี้พูดถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นนะเช่นการรักษาศีลเนี่ยคนจานวนมากเนี่ยพร้อมจะให้ทานเช่นทำบุญด้วยเงินด้วยสิ่งของ แต่พอให้สมาทานหรือรักษาศีลเนี่ยก็เกี่ยงหรือว่าไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอาการให้ทานด้วยเงินหรือสิ่งของนี่มันทำได้ง่ายกว่ามันใช้เวลาไม่นานประเดี๋ยวประดาวบางทีแค่ควักเงินออกจากกระเป๋านี่ก็ นะจบละหรือว่าหยิบเงินมาใส่ซองนะถวายพระหยอดตู้นะก็จบละใช้เวลาไม่นานนะไม่เหมือนกับการสมาทานศีนนะโอ้สมาทานศีนี่มันคือทำทั้งวันนะแล้วก็มันก็มีสิ่งเราเรายวยวนให้ ให้เลิกทมหรือว่าให้ละเลยมันมีมากมายคนก็เลือกที่จะให้ทานมากกว่รักษาศีลแล้วยังมีความเชื่อนะว่าโอ้ให้ทานเนี่ยหรือว่าทำบุญด้วยเงินเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโชคซึ่งซึ่งซึ่งลาบนะแล้วก็ยิ่งเกิดแรงจูงใจนะที่จะ ทำบุญให้ทา น, นด้วยเงินบ้างด้วยสิ่งของบ้างอันนี้เรียกว่าเพราะว่าหวังผลตอบแทนซึ่งอาจจะมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ให้หรือเงินที่ถวายอย่างที่หลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าใส่บาทถ้าถวายสังฆทานอ เ, เดียวอาจจะถูกลอตเตอรี่ แล้วันที่หนึ่งเลยสิเดียวนะไม่ใช่แค่โลดเล็กทาย2ตัว3ามตัวนี่มันก็ทำให้หน้าทำห น, าหน้าให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันุนหลมแรงๆแต่มันก็ให้ความหวังไม่เหมือนการให้ทานไม่เหมือนกับ ก, การรักษาศีล น, นะออมันต้องต้องทำทั้งวันแล้ต้องสู้รบกับกิเลส อย่างต่อหนึ่งตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าในผลที่จะได้ว่ามันจะทำให้ถูกลอตเตอรี่ไหมนะไม่เหมือนกับการถวายเงินอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่จริงแล้วอันที่สงของการรักษาศีลนะมันมีมากกว่าการให้ทานเยอะเลยนะโดยเพาะแทมมอนนี้ของการฝึกหัด ขัดเกลาวจิตใจแต่พอพูดถึงการรักษาศีลแล้วเนี่ยนะแม้ว่ามันยากนะแต่มันก็ดูง่ายนะกว่าการภาวนานะในสายต่างคนทั่วไปการภาวนาหมายถึงการนะฝึกจิตฝึกใจไม่ว่าจะเป็นการทำในรูปแบบ นั่งหลับตาทําสมาธิเดินจงกรมมาชาวคนทั่วไปนี่มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับยากขมรักษาศีลอย่างจะง่ายกว่าสิกนะพอรักษาศีนเสร็จก็เดี๋ยวไปฟังเพลงก็ไม่ผิดศีนเนะี่ยถ้าเป็นศีลหรักษาศีนเสร็จก็ไปชอปปิ้งก็ได้ไปกินอาหารอร่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากจะภาวนาเนี่ย บางทีก็ต้องลดละหรือเลิกสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะได้มาอยู่กับตัวเองไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นการขัดเกลาวจิตใจใแท้ จ, จริงฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะเกิดเห็นคุณค่าของการภาวนาขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าได้โชคนะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแล้วก็มีคุณค่ากว่าการรักษาศีลคุณค่ามากกว่าการให้ทานทุก ว, วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะสิคนจะมาเห็นคุณค่าของการภาวนาฝึกจิตฝึกใจมันมีข้ออ้างมีเหตุผลมากมายที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มัน ถูกลดทอนความสำคัญนะในความเข้าใจคนทั่วไปไม่ใช่จะมองว่าเสียเวลาจะมองว่าฉันก็ไม่ไทุกข์อะไรอยู่แล้วฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วจะมาทำสมาธิมาเจริญสติทำไมหรือจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการทำกรรมฐานทำไมอันนี้เป็น คำพูดที่เราได้ยินบ่อยนะซึ่งก็น่าเสียดายั้นเพียงแค่เห็นคุณค่าของการภาวนาเนี่ยมันก็ถือว่ามีน้อยคนนะที่จะเห็นแต่ถ้าเห็นเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอก็ถือว่าสามารถที่จะ ผ่านดานรูปรสักหลายอย่างน้อยคนที่จะเห็นคุณค่าของการภาวนาเพราะอุปสรรคมันเยอะที่จะทำให้ไข่เขวแต่อุปสรรคของการที่จะทำให้เห็นคุณค่าของการภาวนาเนี่ยแม้มันมากแล้วนะแต่ยังน้อยกว่าอุปรสรรคที่ประขัดขวางการภาวนา เห็นคุณค่างภาวนานี่ก็นะว่ามีน้อยคนที่จะเห็นนะแล้วถึงเวลาที่จะลงมือภาวนาลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีน้อยคนน่ะที่จะทําได้จริงหรือทําได้ต่อเนื่องเพราะอุปสรรค ม, มันเยอะโดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่จริงๆเนี่ย ถ้าเข้าใจเรื่องการปฏิบัติหรือปฏิบัติถูกนี่อุปสรรคมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยโอ้มันจะมีอุปสรรคมากมายอุปสรรคที่สำคัญคือใจนะใจที่มันไม่คล้อยตามเห็นคุณค่าของการภาวนาก็จริงนะแต่มันเป็นการเห็นในระดับความคิดในระดับหัวสมอง แต่ใจไม่คล้อยตามก็เมื่อคนที่เห็นคุณค่านะของอาหารสุขภาพนะแต่ว่าไม่เคยที่จะลงมือกินอาหารสุขภาพอย่างต่อเนื่องหรือเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายไอ้น้อยคนที่จะเห็นนะแต่ครั้นเห็นแล้วเนี่ยนะจะลงมือออกกําลังกายมันยิ่งยากถ้าหมายถึงการทําอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าความเห็นนะกับความรู้สึกนี่มัน มันเป็นคนละส่วนกันนะความเห็นนี่เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของหัวสมองแต่ความรู้สึกมันเป็นเรื่องของจิตใจเปนเรื่องเรื่องของหัวใจเรื่อ ง, องอารมณ์เห็นอะไรได้มากมายแต่ใจไม่คล้อยตามก็ไม่เกิดการปฏิบัติและการเมื่อจะลงมือปฏิบัติโอคมันก็จะมีอยู่ภาษาไม่มีเวลาบ้างละหรือว่าใจมันไม่เอาด้วยมันจะมีข้ออ้างต่างๆมากมาย อันนี้ยังไม่นับถึงอุปรสรรคขัดขวางจากภายนอกนะเช่นบางคนอาจจะมานั่งสมาธิแต่ว่ามีงานที่ต้องเร่งทามีผู้คนมามาหามาพูดมาคุยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะรู้พบว่าโอ้ไม่มีเวลาที่จะมาภาวนานเพราะว่าลูกก็มากวนนะ อย่าลูกเล็กเนี่ยอันนี้ก็เราเป็นอุปสรรคเนี่ยมีพ่อค้าคนหนึ่งนะแกก็แต่นหนแต่ะไรมาก็เอาแต่ทามาหากินน่ะนะขายของก็ททำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นถ้าเป็นอย่างนี้มาหลายปีดีดักตอนหลังเนี่ยเพื่อนชวนไปเข้าคอสภาวนาทำสมาธิ ทีแร ก, ก็เกลียงนะมีข้ออ้างอย่างง้นอย่างนี้ภารกิจการงานรัดตัวแต่ว่าตอนหลังก็เกรงใจเพื่อนเพื่อนก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือมามากมายหลายอย่างเกรงใจก็เลยเอาเพื่อนชวนก็ไปสักหน่อยมาไปเข้าคอร์สประมาณเจ็ดวันนะทีแรกก็ทําแบบขอไปทีนะแต่ว่าตอนหลังนี้ ยิ่งทำก็รู้สึกว่าใจสงบนะพอเสร็จคอร์สเนี่ยโหปรากว่าจิตใจนี่เกิดความดื่มด่ำในสมาธิในอันยิ่งของของการภาวนามากเลยความคิดมันเปลี่ยนเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดนะจากการฟังทำนะแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนที่เกิดจากการที่ได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองนะ มันไม่ใช่แค่ความเห็นแต่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะได้พบความสงบก็เลยตั้งใจนะว่าเนี่ยจะพยายามภาวนาให้ได้อย่างน้นอยทีตละครั้งแม่งงานจะเยอะอยังไงถ้าทําได้ทุกทุกวันก็ดีแต่ว่าใหม่ใหม่ก็ยังทําไม่ได้ก็ตั้งใจว่าเนี่ย จ, จะจะทำทุกเย็นวันศุกร์นะ จะทำให้ได้ยกแยก็ทำได้อย่างที่ตั้งใจนะพอทำงานถึงวันศุกร์นี่น ะ, ะปิดร้านตอนเย็นก็นั่งสมาธิแต่ว่าทำไม่ได้สักสองสาอาทิตย์นะปรากฏว่าเกิดอุปสรรคเพราะว่ามันมีเสียงมากวนนะเสียงกวนมาจากไหนเสียงกวนมาจากเด็ก ที่มาเล่นฟุตบอลกันหน่าร้านนะถนนนี่มันโล่งก็มีเด็กเนี่ยนะก็นัดมาเล่นฟุตบอลกันโดยเพราะช่วงปิดเทอมนะเสียงดังเลยไอ้อวยวายนั่งสมาธิไม่ได้เลยงดหงิดมาก ่แกก็เลยคิดนะเอ้ยทำยังไงนะจะให้เด็กเนี่ย ม, มันเลิกมาส่งเสียงรบกวนก็เลยเอาอุบายนะออกไปหาเด็กแล้วก็พูดกับเด็กนะหลังจากที่เด็กเขาเลิกเล่นนะว่านี่โอ้ลุงมีความสุขมากเลยนะที่พวกหนูมาเล่นฟุตบอลกันเนี่ยมันทำให้นึกถึงวัยเด็กที่ได้ เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ เ, เห็นพวกหนูเนี่ยมีความสุขแล้จิตใจของลุงก็มีความชื่นบานด้วยนะก็เลยอยากจะให้รางวัลหนูนะเอาไปร้อยหนึ่งนะเอาไปแบ่งกันนะสมัยก่อนนี่ร้อยหนึ่งมันก็เยอะนะเด็กก็ดีใจนะดีใจก็เด็กไปแกก็นั่งสมาธิได้ แต่คนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่อธิยตเดียวเช่ไหมอธิษตต่อมาก็เอาอีกนะพอถดงยาววสูงนี้เด็กก็มาเล่นกันเอไอวยวายเจ้าเจ้าซึ่งก็ตรงกับที่แกคาดอยู่แล้วว่าเนี่ยพวกนี้คงต้องมาแน่แกก็เลยเลิกนั่งสมาธิแล้วก็เดินไปหาเด็กนะแล้วบอกโอ้ขอบคุณหน้าที่พวกหนูมาเล่นฟุตบอลนะ สร้างบรรยากาศสีสันให้กับที่นี่นะอยากจะให้รางวัลหนูแต่ว่าวันนี้ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปนะห้าสิบอันเด็กก็ก็รับไปนะแต่ความดีใจเนี่ยก็น้อยลงนะเมื่อเทียกับเมื่อที่ที่แล้วพอเด็กไปพ่อข้าก็นั่งสมาธิได้ อันที่ต่อมาเด็กมาอีกนะเย็นวันศุกร์นะพ่อค้าก็เลยออกไปหาเด็กอีกนะเพราะนั่งสมาธิไม่ได้แล้วบอกนี่โอ้พวกหนูมาเล่นฟุตบอลนี่ลูกมีความสุขนะแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอาทิตย์นี้อยากจะให้รางวัลหนูนแล้วก็มีเท่าเนี้นะเอาไปสิบบาทเด็กเนี่ยนะสีหน้านี่เปลี่ยนไปเลยนะ ทีแรกคิดว่าจะได้แบงคนะ์ร้อยหรืออย่างน้อยก็ห้าสิบนะแต่ได้แค่สิบบาทก็รับเงินจากแบบขอไปทีแล้วก็บอว่าอาทิตย์ต่อมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยนะสมความตั้งใจของพ่อค้าก็เลยนั่งสมาธิได้พ่อค้ารู้นะว่าเนี่ย อาการที่ให้เงินจากร้อยมาเหลือห้าสิบแล้วก็เหลือสิบบาทเนี่ยมันมันเป็นวิธีที่ทำให้เด็กเนี่ยนะเลิกเล่นมันดีกว่าไปตโลขับไล่เด็กนะไปตโลขับไล่เด็กเด็กก็ยิงแกล้งนะมาส่งเสียงดักดังขึ้นแต่พอใช้วิธีนี้เนี่ยกลับได้ผลกว่านั้นมาลองไปอง ไ, ไปทะเลาะเบาแวงกับเด็กนะ ทำไมเด็กเนี่ยถึงหายไปเลยนะเพราะเด็กรู้สึกผิดหวังนะว่าเนี่ยนึกว่าจะได้ร้อยหรือว่าอย่างน้อยๆห้าสิบนั้นแต่ได้แค่สิบบาทแั้นนี่จะมาเล่นทำไมนะเสียเวลาเปล่าจริงเด็กคนนี้ถ้าคิดสักหน่อยนะว่าแต่ก่อนเล่นเนี่ยมาเล่นเนี่ยเล่น ฟ, ฟรีๆเล่นไม่ได้เงินนะก็ยัง ก็ยังเล่นได้สนุกด้วยแต่ว่าเด็กเนี่ยแทนที่จะมองว่าเออสนุกแล้วได้สิบบาทนะกับมองว่าแทนที่ได้สิบนะเด็กกับมองว่าฉันไม่ได้ห้าสิบฉันไม่ได้ร้อยแล้วจะเล่นไปทำไมเด็กก็เลยเหมือนกับว่าประท้วงพ่อค้าหารู้ไม่ว่านเนี่ยกับ เป็นสิ่งที่พ่อค้าปาถนาธรรมชาติของเด็กนะก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะคือการไม่รู้จักมองนะถ้ารู้จักมองจะคิดว่าเออได้สิบบาทก็ยังดีนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้เงินนะมีแต่ความสนุกคราวนี้สนุกด้วยแล้วก็ได้สิบบาทด้วยนะแต่เขากลับคิดว่าเนี่ยฉันได้เงินน้อยลง ก็เกิดความทุกข์ผิดหวังอันนี้จะเรามองลบก็ได้นะคือมองว่าฉันได้น้อยกว่าที่คิดแทนที่แทนจะมองเออฉันได้มากกว่าที่เคยแต่ก่อนไม่ได้เงินเลยสักบาทนี่ได้สิบบาทพ่อค้านี่แกเป็นคนที่เข้าใจนะจิตวิทยารู้วิธีที่จะไล่นะวิธีที่จะไล่เด็กแบบสุภาพนะแต่ที่จริงถ้าเรามอยดีๆนะเรื่องนี้เนี่ย พ่อค้าไ ม, ม่ต้องทำอย่างนั้นเลยก็ได้ตั้งใจจะทำสมาธิแต่ว่าไปหลอกเด็กเนี่ยแถมเสียเงินอีก160ิจริงเนี่ยถ้ า, ากว่าฝึกสมาธิเป็นนะหรือว่าวางจิตวางใจเป็นนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเด็กเหล่านั้นเลยนะเด็กจะเล่นก็เล่นไปจะส่งเสียงดังก็ส่งไปแต่ก็สามารถที่จะรักษาใจสงบได้ ไม่ควรมองว่าการที่เด็กเนี่ยส่งเสียงร้องหน้าบ้านเนี่ยมันคืออุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติแต่ควรจะมองว่าเออมันคือแบบฝึกหัดนะของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความเข้มแข็งมั่นคงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่ว่าพอมีเสียงดังจิตใจก็วันไหว หรือว่าใจกระเพื่อมเกิดความหงุดหงิดบางคนนี่ตอนที่ไม่เคยปฏิบัตินะเสียงดังยังไงก็เฉยนะแต่พอมาลง ป, ปฏิบัติเนี่ยเสียงดังนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียงคุยกันซุบซิบกันก็รำคาญหรือว่าเสียงรถยนต์ที่แล่นไปแล่นมาก็ทําให้รู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นผู้ที่จิตใจอ่อนไหวหรือเปราะบาง ที่จริงถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องนะไอ้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นแบบฝึกหัดนะว่าเราจะรักษาใจใสงบได้อย่างไรนะเมื่อมีเสียงมากระทบหูสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสติหรือการวางใจที่ถูกต้องยังมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะทุกเช้าเนี่ยแกก็นั่งสมาธิทุทกวันนะวันละส0สนาทีก่อนไปทำงานเนี่ย แต่ชาวันหนึ่งเนี่ยค่ะที่นั่งสงบนะเพราะว่ามีเสียงดังนะเสียงคอ้อนนาทีแรกเพราะมันมีการก่อสร้างนะในตึกใกล้ๆนะตอนหลังเนี่ยไม่ใช่เสียงคอ้อนอย่างเดียวนะเสียงเลื่อยนะเสียงเลื่อยยนต์ด้วยนะเสียงเลื่อยยนต์นี่มันสำหรับหลายคนนี่มันดังเรียกว่าราคายส่ประสาทมากนะพอเสียงก็ต้องผัวนี่ใจก็เพิ่มเลยมาขึ้นมาเลยนะ แราเขามีสติไว้นะเห็นใจที่มันกระเพื่อมพอมีสติเห็นใจที่กระเพื่อมนะใจมันก็สงบลงนะอันนี้เป็นธรรมชาติของสตินะพอรู้ทันอาการที่มันกระเพื่อมเนี่ยมันก็จะสงบลงได้ไม่ยากเรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เพิ่บที่ไรเนี่ยใจก็เพิ่มขึ้นมาอีกใจก็เพิ่มกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอยู่หลายครั้งใจยังไม่ถึงขั้นหดยินนะ แต่ตอนหลังเขามาดูว่าลองมาสังเกตพิจารณาเสียงที่มันดังดีกว่าแล้วก็สังเกตในเสียงที่ดังเนี่ยเสียงเล่ยโญนเนี่ยบางทีก็เสียงสั้นบางทีก็เสียงลากยาวบางทีก็เสียงสูงเสียงต่ําบางทีก็เสียงกระชากกระช้นบางทีก็เสียงลากยาวเบาบ้างดังบ้างฟังไปฟังไปมันคล้ายเพลงเฮฟวี่เลยนะเหมือนเสียงเพลงเลย ทันทีที่มอเป็นเสียงเพลงนะใจก็สงบเลยแล้วสงบจงกนกระทั่งว่าเนี่ยพอเสียงมันหยุดนะเขาอยากให้เสียงมันดังมาใหม่นะแล้วเขาเกิดความเอกใจขึ้นมาทีแรกเนี่ยอยากเสียงมันดับไปเลยนะแต่ทําไมพอเสียงมันหายไปอยากให้มันดังขึ้นมาใหม่แล้วทําไมทีแรก เ, เนี่ยเสียงพอดังปุ๊บเนี่ยกระทบหูในใจกระเพื่อมแต่ตอนที่เสียงมันสงบอใจมันสงบแถมเพลินด้วยซ้ํา แล้วก็เพราะว่าเป็นเพราะใจเนี่ยนะการวางใจมันเปลี่ยนไปหรือมุมมองต่อเสียงนั้นมันเปลี่ยนไปทีแรกใจก็เพื่อมหงุดหงิดเกือบจะหงุดหงิดเพราะว่าไปมองว่าเป็นคือเสียงดังเสียงรบกวนแต่พอมองใหม่ว่ามันคือเสียงเพลงนะใจสงบเลยจริงๆก็มันก็เป็นอุบายขอยงคนนะที่เขารู้นะว่า อะไรเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรที่มากระทบอายตนะของเราเนี่ยเมืเ่อกระทบตาหรือกระทบหูเนี่ยมันไม่สําคัญแต่ว่าเรารู้สึกกับมันหรือเรามองมันอย่างไรถ้าไม่รู้ทันมั น, นใจก็ทุกข์หงุดหงิดหรือว่าถ้ามองมันรบใจก็หงุดหงิดเป็นทุกข์ขุนมัวแต่พอเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนมุมมองมันเป็นมุมบวกนะมองก็เป็นเสียงเพลงนะมันสงบเลย ก็กลายเป็นแบบฝึกหัดให้ได้เห็นว่าอ๋อไอ้ที่ใจเราทุกเนี่ยเพราะว่าเรามองไม่เป็นหรือเราปฏิบัติไม่ถูกกับเสียงที่มากระทบหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงบอกว่าเนี่ยพอคาคนเนียในเรื่องเนียที่จริงไม่ไม้ต้องไปออกอุ บ, บายให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นบอลด้วยการเอาเงินมาล่อ หรือวางกับดักจกนกระทั่งเด็กนี่เกิดความผิดหวังเสียใจที่ได้เงินน้อยแถยังไปหลอกเด็กนะว่ามีความสุขที่ได้ฟังเสียงเด็กเล่นสนุกสนานเไื่องทำอะไรเลยนะก็เพียงแต่ทำใจก็คือว่าเสียงดังก็ดังไปแต่ว่าเรามามีสติดูใจหรือมองว่ามันเป็นเสียงที่มาฝึกนะให้เราวางใจที่ถูกต้องจะมองว่าเป็นมองเสียงนั้นเป็นบวกก็ได้ เพรานั่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติแล้วมีอุปรสรรคเนี่ยนะคนมักจะมองอุปรสรรคนี่มันอยู่ที่ภายนอกอยู่ที่คนรอบข้างอยู่ที่คนในบ้านนะอยู่ที่เสียงเด็กที่มาส่งเสตโตโรเสียงมาตอรไซค์ที่แล่นผ่านไปผ่านมามันไม่ใช่อุปรสรรคที่สําคัญคือใจของเราเนี่ยใจที่หวางไว้ไม่ถูกอาจจะเป็นใจที่ติดสงบ ใจที่คาดหวังไว้ทุกอย่างรอบตัวเนี่มันราบรื่นหรือว่าใจที่มองอะไรต่ออะไรเป็นลบอุปสรรคสาคัญอยู่ที่ใจนะไม่ใช่ข้างนอกให้เวลานักปฏิบัติเนี่ยมันจะบ่นว่าเนี่ยมันอุปสรรคขัดขวางมาผจนเยอะหรือเกินเพราะ น, โนอนเพราะนี่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อุปสรรคมาเ ท, ท่ากับใจของเรารวมทั้งการปฏิบัติที่อาจจะไม่ถูกต้องกันเนี่ยคือไปหวังความสงบแต่ไม่ได้เน้นว่าเออ สงบเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รับรู้หรือไม่มีเสียงอะไรเลยสงบสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่รู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้ทันเสียงที่มากระทบก็ได้รวมทั้งภาพที่เห็นอาจะฝึกตรงนี้หรือปฏิบัติตรงนี้ให้ถูกนะมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกรอบตัวนี้มัน ก, ก็กลายเป็นแบบฝึกหัดไม่ใช่อุปรสรรคขัดขวาง อันนี้คือสิ่งทีนะ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยควรจ ะ, ะระลึกแล้วก็ควรจะฝึกหัดนะให้เข้าคล่องว่องไวนะแล้วเราจะพบอาการปฏิบัติหรือการภาวนาการดำกรรมฐานเนี่ยมันทำได้ทุกที่และต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเพราะมันไม่เรียกร้องโนดเรียกร้องนีนะ่ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวล า, เ, าเย็ยนนี้พุทธะทันนีนะ